สีรู้ทุก์ได้อย่างไรกายกับใจคือตัวทุกและเป็นที่ตั้งของความทุกขถ้าวันหนึ่งเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกขจึงจะเรียกว่าเห็นทุกขหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ทุกข์รู้ได้ด้วยการเจริญสติ ป, ปัฏฐานสได้แก่การตามรู้กายเวทนาจิตธรรมหรือสรุปให้ง่ายขึ้นได้แก่การตามรู้กายการตามรู้ใจ ตามความเป็นจริงด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้อย่างเป็นวิหารธรรมมีตบะวงเล็บความเพียรแผดเผากิเลสวงเล็บปิดมีสติมีสัมปชัญญะวงเล็บมีความรู้สึกตัววงเล็บปิดสามารถถอดถอนเอาความยินดียินร้ายในโลกออกไปได้สติปัฏฐานมีสองขั้นตอนขั้นแรกทำให้เกิดสติขั้นที่สองทให้เกิดปัญญา คำกิริยานในมหาสติปัฏฐานสูตรมีคำเดียวคือคำว่าเครื่องหมายคำพูดรู้ปิดเครื่องหมายคำพูดวงเล็บไม่มีทำไม่มีกำหนดไม่มีประคองและอื่นๆวงเล็บปิดสติปัฏฐานคือทางสายเอกทางสายเดียวที่จะทำให้เราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริง